นาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสมุทัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสมปทัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสมุทัสสะ ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันต์สัมมาสัมพุท ธ, ธเจ้าพระองค์นั้นนาบัดนี้ได้เวลานั่งสมาธิภาวนาพร้อมกับการสดับรับฟังพระธรรมคำสั่งสอนในทางพุทธศาสนา คำสอนในทางพุทธศาสนานี้จะต้องเกี่ยวกับการปฏิบัติการกระทำตามจึงจะเข้าใจในคำว่าพุทธศาสนาพุทธแปลว่าลกูกพระพุทธเจ้าเป็นผู้ตรัสรู้ตรัสรู้ธรรมธรรมทั้งแปดหมื่นสี่พันพระธรรมคัน พระพุทธเจา้านั่งสมาธิภาวนาตรัสรู้ไม่ใช่ทมแบบอย่างโลกโลกเรียกว่าเรียนมีตำหรับตำลาเรียนไปก็ให้คั้นให้ภูมิตามตำลานั้นส่วนพระพุทธเจ้านั่นพระองค์สอนให้ทมให้ปฏิบัติ จนได้รู้ได้เข้าใจด้วยตนเองเมื่อรู้เข้าใจโดยตนเ อ, เองเองแล้วเรียกว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้าแม่พระองค์เองเมื่อพระองค์สเสด็จออกบรรพชา ได้หกพันสาล่วงแล้วจึงได้เสด็จไปที่ต้นไมโพที่จังหวัดพุทธคยาในสมัยนี้เมื่อไปถึงต้นไมโพแล้วพระองค์ก่อนนั่งขัดสมาธิ ผินหลังให้ต้นไม่อพอผินหน้าประพักไปทางทิศตะวันออกเมื่อพระองค์นั่งเสร็จเดบร้อยแล้วคราวนี้เป็นคราวที่เรียกว่าวันสำคัญคือเป็นวันเดือนหกเพนเป็นความตั้งใจแน่วแน่ของพระองค์ ว่าจะนั่งสมาธิภาวนาให้เดตรสุลูกพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณจริงๆจึงได้ตั้งสัตอธิฐานใจลงไปอย่างมั่นคงว่า ถ้านั่งสมาธิภาวนาครั้งนี้ไม่ได้ตรัสเป็นพระพุทธเจา้าก็ไม่ยอมลุกไปในที่ต่งตางๆจะนั่งภาวนาเอาที่นี้เป็นที่ตายจะไม่ลุกไปตายที่อื่น แม้เลือดเนื้อเชื่อไขจะเหือดแห้งไปเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกก็ตามทีเราจะไม่ลุกหนีจากที่นี้เป็นอันขาดเมื่อพระองค์กำหนดตั้งใจอย่างนั้นแล้วจิตใจของพระองค์ก็แน่วแน่มั่นคง คือพระองค์ปรงกรรมฐานตกแล้วงคงตกว่าตายเอาตายสู้ถ้าไม่เอาตายสู้ละ่ะสู้ไม่ได้สู้กิเลสมารสังขารมารกิเลสราคะโทสะโมหะไม่ได้ถ้าจะทำใจอ่อนแอทอดแพเหมือนแต่ก่อนมาไม่ได้สำเร็จไม่ได้ตรัสรู้ คราวนี้ต้องเอามาเอามาดใหม่เรียก ว, ว่าตั้งใจใหม่เอาระวางตายกับระวางได้ตัดสู้ถ้าตัดสู้ไม่ได้ก็ตายลูกเดียวที่นี่แหละเป็นที่ตายที่ล้มโพนี่แหละเป็นที่ตายล้มไม้ต้นนี้แหละเป็นที่ตาย เมื่อพระองค์ตั้งใจแน่วแน่อย่างนั้นแล้วกิเลสมานสังขารมานทั้งหลายแหลในโล ก, กธาตุนี้มาล่มที่จากเอาพระพุทธเจ้ามัดให้อยู่ในโลกในวัฏสงสารแต่พระองค์ท่านไม่หวั่นไหว เมื่อนั่งสมาธิภาวนาขัดสมาธิแล้วพระองค์ก็เลือกอุบายภาวนาเอาอะไรมาภาวนาเพราะว่าพุทธโธก็พระองค์เองยังไม่ได้กรัดสลูเป็นพุทธโธแท้พระองค์ก็เลือกเอาลมหายใจ ลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี่แหละเป็นอุบายภาวนาดีที่สุดอาณาปารลมหายใจเข้าออกแต่พระองค์กำหนดจริงๆคือลมทุกครั้งที่เข้าไปพระองค์ก็กาหนดรู้ว่านี่เป็นลมเข้าเมื่อลมที่เข้าไปแล้วไปเลี้ยงร่างกาย ลมหายใจก็ออกมาท่านก็กาหนดรูกวันนี่เป็นลมออกมาการตั้งใจของพระองค์ระลึกโยภายในไม่ใช่อยู่ภายนอกเรียกว่าโยภายในหนังหุ้มโยเป็นที่สุดลอบโยในร่างกายของพระองค์ ไม่ให้จิตใจคิดไปที่อื่นท่านกำหนดเอาลมเข้าลมออกเป็นอุบายภาวนาและท่านไม่ปล่อยให้จิตใจฟุ้งซ่านไปอย่างคนเราธรรมดามัดจิตใจในลมหายใจได้จริงๆ แล้วว่ารู้เท่ารู้ทันรู้ทุกขณะทุกเวลาที่ลมหายใจผ่านเข้าผ่านออกดวงจิตของพระองค์ก็คือจิตดวงผู้รู้ว่าลมหายใจเข้าออกแม้เราท่านทั้งหลายที่นั่งภาวนาอยู่นี่ก็มีจิตใจดวงผู้รู้อันนี้อยู่คนละดวงละดวง แต่ว่าเป็นดวงจิตดวงใจที่ยังไม่ตั้งให้มั่นและยังไม่ได้ทำละกิเลสความโกรธความโลภความหลงให้ออกจากจิตใจนี้จึงยังเป็นจิตใจมือดอยู่คนเราธรรมดาใจยังไม่แจ้งใจยังไม่เห็นธรรมยังไม่เห็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ยังไม่เชื่อในคุณพระพุทธเจ้าจริงๆเมื่อพระองค์กำหนดลมหายใจเข้าออกคิตใจก็ไปไหนมาไหนไม่ได้เหมือนแต่ก่อนท่านเอาลมหายใจมัดไว้พอจิตใจสงบระงับตั้งมัน่นเที่ยงกลงคงที่เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวรวมใจลงไปได้ เป็นเจตใจสรงอบระงับเยือกเย็นสาบายไม่ว่นวายเหมือนแต่กเก่าก่อนมาพระองค์ก็กำหนดซึ่งมรณะกรรมฐานความตายของคนเหล่านั้นเวลาสัตว์จะตายคนจะตายแม้องค์ของท่านเองจะตายก็ตายที่ลมหายใจนี่แหละ ไม่ว่าโาครคภัยไข้เจ็บใดๆบังเกิดเมฆขึ้นจนลมหายใจขาดลมหายใจหายใจไม่ได้โลกสมมุติเขาก็ว่าตายไปแล้วถ้ายังมีลมหายใจเข้าออกอยู่เขาก็เรียกว่ายังเป็นอยู่ยังมีชีวิตอยู่ยังเป็นคนอยู่ เมื่อพระองค์กำหนดแจนแจงในเรื่องมรณะกรรมฐานในเรื่องกิเลส ต, ต่างๆที่มันว่าวุ่นไปตามอารมณ์ต่างๆพระองค์ก็ตัดเข้ามาให้มันสั้นเข้ามาให้รวมเข้ามามาโยจุดใจดวงผู้รู้อยู่เมื่อมารวมโยที่จิตใจดวงผู้รู้ยนในปัจจุบัน จ, จิตใจของเธอองค์ก็เรียกว่าผ่องใสสะอาดที่สุดเมื่อ จ, จิตใจผ่องใสสะอาดที่สุดก็ย่อมมองเห็นได้ว่าโรคหมายถึงขาสองแขนสองศีรษะหนึ่งนีหนังหุ้มอยเป็นที่สุดรอบนี้เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลง คือไม่เที่ยงไม่คงที่เป็นอยู่อย่างนี้แรกเริ่มมาปฏิสนธิบิญญาณในคันมารดาในท้องแม่ต่อมาก็อยู่ไม่ได้มันจเจริญวัยใหญ่โตขึ้นมาได้เก่าเดือนชิบเดือนแล้วก็ถึงขั้นเกิดคลอดออกมา เมื่อคลอตออกมาอยู่ภายนอกที่แรกก็ตัวน้อยนิดเดียวผลที่สุดก็จะเลินวัยใหญ่โตขึ้นไปโดยลำดับเป็นธรรมดาของความไม่เที่ยงมันต้องเป็นไปอย่างนี้ความเป็นทุกข์คือว่าทนอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้มันต้องแสดงถึงความทุกข์ยากลาบากลาคาญของรูปร่างกายนี้อยู่ตลอดเวลา พระองค์ก็กำหนดแจมแจ้งได้ชัดเน <c oughs> จนยนเห็นว่ารูปร่างกายทั้งจิตทั้งใจนี้ยังไม่ใช่ตัวตนของบุคคลพูดได้ก็เห็นแจมแจ้งชัดเจนเมื่อเห็นว่าไม่ใช่ตัวตนของท่านท่านก็ปล่อยวาง ไม่มายึดถือเอาว่ารูปนามกายใจนี่เป็นของไม่เที่ยงท่านเห็นว่าไม่เที่ยงจริงๆจิตของท่านก็ปล่อยว่างทำเฉยอยู่ในจิตนั้นเป็นเรื่องของธาตุดินน้ำไฟลมเขาจะต้องไม่เที่ยงอย่างนี้เองแล้วก็กำหนดเห็นว่าธรรมดาดินน้ำไฟลม และจิตใจอันนี้นั้นมันไม่เที่ยงก็เป็นทุกข์มันไม่เที่ยงเป็นทุกข์มันก็เป็นอนัตตาคือไม่ใช่ตัวตนของบุคคลผู้ได้แต่จิตใจผู้มาอาศัยอยู่ในโลกร่างกายนี้ก็ย่อมมายึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราของเราตัวข้าของข้าตัวกูของกูอันนี้เป็นความหลงในจิต มายึดมาถือเอาธาตุดินน้ำไฟลมว่าเป็นเราเป็นของของเราโดยสมมุตินั้นก็คือว่าในร่างกายของมนุษย์คนเราแต่ละบุคคลท่านให้ชื่อเป็นอย่างๆว่าเมอยอาการสามสิบสองในตัวคนเรานับตั้งแต่ผมอยู่บนศีรษะ ขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกทั้งหมดนี่แหละรวมหมดแล้วเป็นอยู่สามสิบสองอันสามสิบสองจินเทนี้ที่คนเรามายึดถืออยู่ก็คือว่าความไม่เห็นแจ้งส่วนพระพุทธเจ้าของเราพระองค์เห็นแจ้งว่ามันไม่เที่ยงจริงๆมันเป็นทุกข์แน่แน่ มันไม่ใช่ตัวตนของเราแต่ว่าจิตใจคนเราหลงมายึดเอาถือเอาว่ารูปปัจขันล่างกายอันนี้เป็นตัวเราเป็นของเราเรายังไม่ได้ถามดูให้ดียังไม่ได้ภาวนาเพียนเพ่งดูให้ดีแล้วให้เราต้องสืบสวนไต่สวนดูให้ดี ว่าที่จิตหลงอันนี้มาเยึะว่าตัวของเราหรือว่าผมเป็นของเรามันเป็นของเราจริงไหมถามดูที่ว่าผมอยู่บนศีสะเป็นเส้นๆถ้าเป็นพระเป็นเนรก็เรียกว่าโกนทุกวันพระวันโกน ถ้าเป็นญาติเป็นโยมก็เลยยาวออกไปบอกได้ว่าฟังไหมว่าเป็นของเราไหมถามผมของเรากับใจของเราที่มันมายึดถือนั่นแหละผมเขาไม่ได้ว่าเป็นของใครแต่จิต ไม่ภาวนาให้ดีนี่แหละมันมาสำคัญว่าผมก็เป็นของเราถ้าเราถามดูผมมันเฉยเขาไม่ได้ว่าเป็นของกครแต่จิตเรามันยังไม่เฉยก็ยังว่าเป็นผมของเราอยู่นี่แหละทีนี้มันก็สแสดงให้เห็นว่า ถ้าผมเป็นของเราแล้วทำไมเราบอกมันไม่ฟังว่าผมเมื่อยังเด็กยังเล็กยังนมทำไมผมดำเวลาแก่ชะลามาผมมันขาวมันแซมเราไปทีละน้อยลอยนานเข้าก็ขาวพโพลนหมดศีสษะบางคนจะหาเส้นดำแม่สักเส้นหนึ่งก็ไม่มีขาวไป แล้วก็บอกว่าอยากขาวนะมันก็ไม่ฟังลองบอกลองถามมันอยะถ้าเป็นของเราก็คงบอกได้ว่าฟังแต่นี่มันไม่ฟังใครจะว่าของเราก็ว่าไปแต่ว่าผมมันแก่แล้วมันก็ขาวขาวงอโลลนไปหมด นี่แหละถ้าเราเพียงแต่ว่าดูอาการที่เดิมมันดำต่อมามันขาวไปได้ก็แสดงถึงว่าความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนของบุคคลผู้ใดควรที่จิตใจผู้รู้นี้จะปล่อยวางได้แล้วเพราะมันไม่ใช่ของเราจริง มันสมมติให้เป็นของเราเท่านั้นธาตุแท้มันไม่ได้เป็นของกครพระแต่ก่อนนักบวชแต่ก่อนเพียงแต่ว่าปงผมจะบวชเป็นพระเป็นเนนเท่านั้นแหละพอมีดโกนจดเข้าไปขุโกนไปตกลงมาเท่านั้น ท่านก็ปรงกรรมาฐานตกเลยว่าผมเน่แหละมันไม่ใช่ของเราดูซิมันโกนแล้วมันตกลงมาจากหนังศรีรษะลงมากองอยู่พื้นดินถ้ามันโยบนศรีรษะก็ยังว่าเป็นของเราเวลามันขาดลงมาแล้วโกน ล, ลงตกลงใส่พื้นแผ่นดิน จิตของท่านก็ปล่อยวางได้ความจริงมันไม่ใช่ของเราแต่คนเรานั้นผมมันตกออกไปก็ไม่ได้คิดอ่านพิจารณาเพราะจิตใจมันอยู่ในขั้นประมาทจิตไม่สงบตั้งมัน่นจิตไม่หยุดไม่อยู่จิตไม่ตั้งมั่นเป็นสมาธิมันก็เลยมองไม่เห็นรู้ไม่ได้รู้แต่ว่าเป็นผมของเรา ขนก็เหมือนกันอันเดียวกันเล็บที่งอกตามปลายมือปลายเท้าก็เหมือนกันมันไม่ใช่ของใครเป็นของกลางเป็นของกลางโลกเป็นเรือนร่างเป็นที่อยู่ของกิเลสความโกรธความโลภความหลงในใจมนุษย์คนเรา ที่ยังภาวานาเลิกละกิเลสในตัวในใจไม่ได้ก็เลยมายึดมาถือเอาอย่างนี้เองหละแล้วก็ยึดถือไปได้เท่าไรคิดอ่านดูให้ดีก็แล้วแต่ชีวิตของแต่ละบุคคลบางคนนั้นเกิดมาวันนั้นตายไปวันนั้นก็มียังไม่ได้มาเห็นฟ้าเห็นหมอกอะไรละ่ะ เกิดวันนั้นตายวันนั้นก็มีตายทั้งแม่ก็มีตายกับลูกก็มีบางคนก็พ้นภาวะนั่นมาได้ภายในสิบปีก็ตายก็มียี่สิบปีเป็นคนใหญ่แล้วก็ยังตายได้อยู่สามสิบปีก็ตายได้สี่สิบปีก็ตายได้ ถ้าชิปีก็ตายได้ไม่ว่าใครและถ้าเกิดขึ้นมาแล้วย่อมมีความตายเป็นผลที่สุดเพราะมันไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราเป็นแต่เพียงมาอาศัยอยู่ชั่วระยะหนึ่งแต่ก็ไม่นานรูปร่างกายมานุษย์ยคเราท่านทั้งหลายมาเกิดนี่อายุไม่ค่อยจะถึงร้อยปี ถึงน้อยเต็มทีขนาดหลวงปู่แหวนก็บวาแก่ที่สุดแล้วหมอแพทย์ก็จะให้ได้ร้อยปีฉันอาหารทางปากไม่ได้ก็ให้ฉันอาหารทางท้องหมายว่าจะให้ได้ถึงร้อยปีกว่าๆ ก, ก็เลยไม่ได้ ได้แก่เก้าสิบเก้าปียังไม่เต็มดีเท่าไหร่ก็ทิ้งสงคาญไปแล้วเรียกว่ามารณะกรรมฐานตามไปแล้วแล้วทุกคนก็เหมือนกันกำหนดให้ได้ภาวนาให้ได้ ว่าชีวิตนี้มีความเกิดขึ้นแล้วก็มาตั้งอยู่ชั่วระยะหนึ่งไม่นานก็ถึงขั้นแตกดับตายไปเพราะมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอ น, นัตตาอย่างนี้ใครจะยึดมั่นถือมั่นขนาดไหนก็ตามแต่เอาไว้ไม่อยู่ ทีนี้ในขณะที่ยังไม่ถึงตายแหละยังมีชีวิตยอยู่แต่ก็โทรักทุเลบางคนก็เจ็บท้องทายท้องมันจะเอาตายมาให้เหมือนกันแต่มันกลัวตายแล้วมันก็เลยหายไปเสีย บางคนก็ถูกอุปเทวะเหตุต่างๆจนถึงตายไปอีกเหลือตายเหลือเดนมากมากว่านี่แหละมรณะภัยคือความตายนี่พระพุทธเจ้ากำซับกำชานักหนาว่าให้ลูกศิษย์เราตถาคตจงนึกถึงความตายให้ได้ทุกลมหายใจ เพื่อให้ใจเราไม่ประมาทในความตายจะได้เร่งทำสมาธิภาวนาให้เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวให้ได้ก่อนความตายจะมาถึงถ้าความตายมาถึงเข้าแล้วมันยากทำได้โดยยากเพราะอะไรก็เพราะว่าคำว่าความตายหรือมรณะภายัย ก่อนที่มันจะตายนั้นมันต้องเจ็บเสียก่อนต้องมีเหตุมีการมากมายหลายอย่างจึงจะถึงความแตกความตายนั้นถ้าจะใครจะไปภาวนาเอาเวลานั้นยากละ่ะถ้าว่าร้อนก็เรียกว่าร้อนจนกระทั่งว่าไม่มีที่อยู่ล่ะในร่างกาย หมดจากร้อนหมดจากนั้นเราก็เรียกว่าแตกดับตายไปถ้าว่าหนาวก็เรียกว่าหนาวยิ่งกว่าน้ําแข็งเย็นที่สุดหนาวที่สุดแล้วมันตึงตายลงไปได้แล้วก็ภัยอันตรายในร่างกายสังขารนี่มีอยู่รอบด้านคือมันเป็นไปได้ตายได้ทุกเวลา ไม่ว่าโรคภัยไข้เจ็บอะไรเมื่อมันเกิดขึ้นถ้ามันรุนแรงมันตายได้ทุกอย่างทุกโรคนั้นเป็นวัดขัดจะูกนิดนิดนิดหน่อยแต่เราเข้าใจว่านิดหน่อยบางคนเป็นไข้หวัดก็ตายไนดะ้เป็นไข้ธรรมดาเมื่อมันรุนแรงก็ตายไนดะ้ ยิงเป็นโรคมะเร็งแล้วลราเป็นอันว่าใครเป็นจริงๆเราตายทุกลายไม่เหลือนายแพทย์นายหมอหมอแผนปัจจุบันยาแผนปัจจุบันก็ช่วยไม่ได้ถ้ามันเป็นจริงๆแล้วตายทั้งผู้ฟังและผู้เทศทั้งนักบวชนักบ้านทั้งใครๆทุก เหตุนั้นมาละนะกรรมาฐานนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านจึงให้สาวกของพระองค์นึกให้ได้เตือนใจของตนให้ได้ทุกลมหายใจอย่าได้ประมาทคนที่ประมาทมัวเมาอยู่ก็ไม่เด่นึกถึงความตายที่จะมาถึงตนทีนี้เมื่อความตายมาถึงเขาแล้วเอาละทีนี้เทอเลอทะลาละ วุ่นวายที่สุดตาเหลือตาลานวุ่นวายวิ่งหาหมอยาหมอแก้จะให้หายท่าเดียวแต่ความตายนี้มันเป็นใหญ่เป็นโตในโลกไม่มีใครจะไปสู้ได้ถ้าเขาจะเอาให้เราตายแล้วตายได้ทุกเวลา พระพุทธองค์ท่านจึงทรงเห็นว่าลมหายใจที่เราสูดเข้าไปแล้วนี่ถ้าออกไม่ได้ก็นั่นแหละเป็นที่ตายไม่ต้องมีโลกอย่างอื่นละ่ะสูดลมหายใจเข้าไปเกิดติดขัดหายใจออกไม่ได้ก็ตายแหะหายใจที่ออกไปแล้วนี่แหละถ้าสูดเข้ามาไม่ได้ก็ตายอีกเหมือนกัน ท่านจึงเตือนไว้ว่าอันความตายอย่าได้พากันประมาทจงนึกให้ได้ทุกขณะทุกเวลาว่าทุกลมหายใจตายได้ทุกวันทุกเวลาไม่ควรประมาทพระพุทธองค์เมื่อท่านภาวนาถึงขัน้นมรณะกรรมฐานจิตใจท่านก็ ระงอประงับเยือบเย็นได้ <c oughs> แม่เราทั้งหลายเมื่อนึกพุทธโธเอาคุณพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์จิตมันยังไม่สงบก็อเอามาลณะนะคือความตายมาเตือนใจมะรณนังเมภาวิชิติเราต้องตายจะต้องตายวันหนึ่งจนได้ ลมเข้าไปกับเตือนใจว่าเราตายได้ทุกลมหายใจเข้าออกเพื่อไม่ให้จิตฟุ้งซ่านลำคาลล่วไหลไปภายนอกให้จิตใจมาสงบ ม, มานิ่งแน่วอยู่ในใจของตัวเองแม้ ว, ว่าทุกลมหายใจเข้าออกจิตใจมองเห็นมลณะนะภัยคือความตายอยู่ เป็นจิตใจไม่ประมาทผู้ไม่ประมาทเท่านั้นแหละจิตใจจะเข้าใจในธรรมปฏิบัติถ้าเกิดความประมาทคลั่งเผลอนึกไม่ได้จเจริญไม่ได้จิตโมหะอาวิชชาตันหาจิตกรมมตันหาภาวะตันหาวิภาวะตันหามันก็เข้ามาล่ม ให้จิตใจมืดมนอนทัการมองไม่เห็นอะไรทั้งนั้นแหละนั่นชั่วระยะที่ยังมีชีวิตลมหายใจอยู่จงพากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูบชาภาวนายาได้ท่อแท่อ่อนเอในหัวใจและยาเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าจะมาช่วย พระธรรมจะมาช่วยพระสงฆ์จะมาช่วยพระท่านจะช่วยได้ก็ต่อเมื่อเราตั้งใจได้เสียก่อนถ้าใจของเรายังฟุ้งเฟอ้อเห่อเหิมวุ่นวายภายนอกอยู่ไม่สงบไม่เป็นหนึ่งพระท่านก็ช่วยไม่ได้เพราะว่าจิตอันนี้มันเป็นจิตประมาทมัวเมาอยู่มันยังไม่สงบมัน มันเป็นธาตุนามธรรมตัวเองต้องประพฤติปฏิบัติจนให้เข้าอกเข้าใจในจิตในใจนั้นเมื่อเข้าอกเข้าใจในจิตในใจนั้นได้เมื่อใดเวลาใดจึงจะได้รับมรรครับผลได้ความสุขจิตสุขใจ ไม่เดือดร้อนวุ่นวายด้วยสติปัญญาของตัวเองไม่ใช่ผู้อื่นเอาให้พระพทุทธเจ้าพระอริยสงสาวกเจ้าทั้งหลายท่านก็เป็นแต่ผู้ชี้แจงแสดงตัดสอนให้แล้ว เ, เราต้องเอามาสอนใจของเราละกิเลสความโกรธในใจให้ได้ ละกิเลสความโลภในใจให้ได้ละกิเลสความหลงในใจให้ได้เมื่อเราเลิกได้ละได้มันก็เป็นสิริมงคลแ ก, ก่จิตใจตัวของเรานั่นแหละแล้วธรรมะคำสอนนั้นจะเอามาสอนมาแนะนำตัวเองเมื่อใดเวลาใดก็ได้ทุกเมื่อ ไม่เลือกการไม่เลือกเวลาแต่นี่จิตใจของผู้ประมาทมัวเมาไม่ได้เอามาสั่งสอนตัวเองไม่ได้อปณะนะอีย่โกไม่ได้นอบเข้ามาในจิตในใจจิตใจมันก็เป็นจิตใจดื้อด้านดือดึง มันเดื้อแล้ก็ดึงไปทางอื่นมันเด้อแล้วมันก็ด้านทํามันธรรมดามันด้านก็คือว่ามันด้านมันแข็งอะไรซึมซาบเข้าไปไม่ได้ดังนั้นต้องเอาจิตใจนี่แหละอ่ อ, อนน้อมในคุณพระพุทธเจ้าอ่ อ, อนน้อมในคุณพระธรรมอ่ อ, อนน้อมในคุณพระสงฆ์ กราบว่าในใจกราบไหว้ทางวาจากราบไหว้ทางกายวาจ า, าใใจิตคือว่าข้าพเจ้าขอกราบพระพุทธเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าด้วยเสียงเกล้าพระธรรมประสง์ว่าข่านี้เป็นคนโง่งเขาเบาปัญญา ขอกราบไหว้ตาพุทธเจ้าขอกราบไหว้พระธรรมขอกราบไหว้พระสงฆ์เพื่อกิเลสในจิตในใจของผู้กราบไหว้นั้นแหละจะได้เบาไปบางไปหมดไปสิ้นไปมันมีแต่หนาเข้าไปปิดเข้าไปก็เลยไม่รู้ท่าอุ ป, ปมาเปรียบว่าเหมือนคนตาบอด ธรรมดาคนตาบอดนั้นหมายถึงคนตาบอดมาแต่กำเนิดเกิดมาใครจะบอกว่าอันนั้นเป็นดวงพระทิพย์พระจันทร์อันนั้นเป็นต้นไม้ภูเขาสิ่งนั้นเป็นคนเป็นสัตว์มันก็ไม่รู้ทางไม่เห็นทางนั้นเพราะคนตาบอด คนไม่ภาวนาไม่ละกิเลสความโกรธความโลภความหลงในใจของตัวเองก็คือว่าใจมันบอดใจมืดเมื่อใจมันบอดใจมืดนี่แหละจึงได้เกิดความทุกโธมันนัดครับแค่แน่นใจอยู่ในหัวใจจงภาวนาทำใจให้สงบตั้งมัน่น แล้วก็ให้รูปหลักอนิจจังคือความไม่เที่ยงหลักทุกขังคือความเป็นทุกข์หลักอนัตตาคือไม่ใช่ตัวตนของเราขึ้นชื่อว่าสังขารทางหลายมีความไม่เที่ยงแท้แน่นอนอย่างนี้เองเจตยาได้มาลุ่มหลงมัวเมาต่อไปอันไม่มีที่สิ้นสุดยุตินั้นจงทําความเพียนพยายาม ทำความรู้จักรู้แจ้งรู้จริงอยู่ในกายวาจาจิตนี้จิตใจดวงนี้จึงจะได้ความรู้ได้ความฉลาดได้ความสามารถอาศารรขึ้นมาในหัวใจนั่นจะได้รู้แจ้งรู้จริงด้วยสติสมาธิปัญญาของตัวเองไม่มีใครยึบยืนให้ได้ นี่แหละเราท่านทั้งหลายจงภากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนายังจิตใจของตนให้กองใสสะอาดาราศจากมันถินโทษก็จะมีแต่ความสุขความเจริญในทางพุทธศาสนา ดังแสดงมาก็สมคูรด้วยกาละเวลาเอวังก็มีด้วยประกาละจนีสภีติโยวิวัทธันตุสัพพะโลกโควินัสตุมาเตภวัตวันตราโย ο. สุขีเทคายยโกภวะอภิวาธนาสิริสนิจังวุธาปัจจายิโนจัตารโอธรรมมาวันติ อายุวันโนสุ ข, ขังสลังวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุท ธ, ธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุท ธ, ธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุท ธ, ธัสส ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคกระหันตาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นนาโอกาสนี้เป็นต้นไปเป็นโอกาสที่เราทุกคนจะได้ปฏิบัติบูบชานั่งสมาธิภาวนา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 อย่าปล่อยให้ใจิตใจคิดไปภายนอกจองตั้งใจละลึกถึงพุทธคุณคำว่าพระพุทธเจ้าหรือพุทธโธคนพระพุทธเจ้านี้ผู้ใดลำลึกถึงเรื่องไส้ในคนพระพุทธเจ้าคนนั้นยังมีชีวิตอยู่ในโลกก็มีความสุขกายสบายใจด้วยอำนาจ คุณพระพุทธเจ้าที่เราล้ำลึกถึงแม่บุคคลนั้นจะละจากโลกนี้ไปสู่โลกหน้าก็ย่อมไปสู่สวรรค์เทวโลกเพราะว่าคุณพระพุทธเจ้านั้นเป็นของยิ่งใหญ่ไพศาลทุกอย่างทุกเรืร่องการอันพระพุทธเจ้านั้นเป็นตัวอย่าง เป็นครูเป็นอาจารย์ของโลกของมนุษย์และเทวดายินลมพระองค์ทำอะไรเรียกว่าตั้งใจทำด้วยดีในเวลาที่พระองค์จะเสด็จออกบรรพชาพระองค์ก็ตั้งใจเป็นตัวอย่างของมนุษย์ เพราะว่ามนุษย์โลกเหล่านี้คนเราทั้งหลายมันติดอยู่ข้องอยู่ในสมบัติสมบัติก็คือว่าเครื่องอาศัยของรูปร่างกายเรียกว่าปัจจัยสี่ปัจจัยสี่ก็คือว่าเครื่องนุ่งห่มหนึ่งบ้านเรือนที่อยู่อาศัยยกยาแก้โรคภัย อาหารการบริโภคสิ่งเหล่านี้และปัจจัยทั้งสีน่นี้มนุษย์อาศัยเมื่อโยทีไหนไปทีไหนก็ย่อมมีความติดข้องัวพันหวงแหนอยู่เสมอแต่พระพุทธเจ้าของเราแสดงออกว่าพระองค์เสียสละได้ให้ทานคนผู้โยภายหลังได้ เคอเป็นตัวอย่างมาเตือนใจของคนเราได้ทุกคนว่าเิดใจคนเราที่มันคล้องโยมันติดอยู่ไม่ก้าวไปสู่นิพานก็เคือว่ามันติดอยู่ในกองกิเลสเหล่านี้แหละพระพุทธเจ้าทันสีสลักเสด็จออกบรรพชาเมื่อบรรพชา สมาทานตนเองเป็นพระองค์หนึ่งแล้วก็แสวงหาที่วิเวคภาวนาแถบเขาหิมาลัยทาที่ไหนจะลึกตื้นใหญ่น้อยประการใดพระองค์ก็ตามไปนั่งภาวนาในที่นั่ น, น, นเขาสูงที่ไหนอากาศดี ที่สุดพระองค์ก็ไปนั่งภาวานาปฏิบัติบูบชาเดินจงกรมในที่นั้นนั้นจะเป็นที่น้ำแข็งหิมะเย็นขนาดไหนพระองค์ก็อดทนเอาเพราะว่าพระองค์ได้อดทนมาแล้วในบารามีความอดทนท่านให้ชื่อว่าขันติบารามี พระองค์บำเพ็ญมากก็บำเพ็ญต่อเรื่อยไปพระองค์ไม่หยุดยัง้งแล้วว่าทำเรื่อยไปปฏิบัติเรื่อยไปไม่ท้อถอยจนกะทั่งหกปีล่วงแล้วปีที่เจ็ดย่างเข้ามาพระองค์ก็เสด็จลงไปทางภาคกลางอินเดียไปถึงแม่น้ำเนรันชลา มีต้นไม้พอต้นหนึ่งโยที่นั้นเป็นร่มเงาดีเมื่อพระองค์ไปเห็นแล้วก็ชอบพอพอใจว่าต้นไม้ต้นนี้แหละจะเป็นที่นั่งภาวนาของเราให้เลตัสโลพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณได้พระองค์ก็ถือต้นไม้หรือต้นนั้นแหละเป็นที่ร่มเงา เข้านั่งสมาธิภาวานาพินหลังให้ต้นไมโพพินหน้าไปทางทิศตะวันออกเมื่อพระองค์นั่งเสร็จเรียบแล้วร้อยแล้วก็ตั้งจิตตั้งใจขึ้นมาให้เป็นพิเศษกว่าธรรมดาทั่วไปธรรมดาทั่วไปนั้นพระองค์นั่งหลายแบบหลายประการแต่ว่ามาถึงต้นไมโพนี้ พระองค์นั่งขัดสมาธิเพชรที่ได้แนะนำเราท่านทั้งหลายนี่แหละเมื่อพระองค์นั่งขัดสมาธิเพชรเสร็จเดบลอยพระองค์ก็ตั้งสัจจะอธิษฐานใจลงไปว่าจะนั่งสมาธิภาวนาในที่นี้ให้ได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้า ถ้าไม่ได้สําเร็จเป็นพระพุทธเจ้าก็จะไม่ลุกหนีจากที่นี้เป็นนางคาดแม่เลือดเนื้อเชื้อไขจะเหือดแห้งไปเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกก็ตามทีจะไม่หวั่นไหวด้วยเหตุการณ์ใดๆทั้งนั้นจะภาวนาทำจิตใจให้สงบระ ง, งับเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวเพื่อความตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ก็พอดีวันนั้นคืนนั้นเป็นวันเดือนหกแผ่นเป็นพระจันทร์เต็มดวงเจตใจของพระองค์ก็แน่วแน่มั่นคงที่สุดเมื่อพระองค์นั่งเรียบร้อยแล้วก็กําหนดอนาปาลมหายใจเข้าออกเป็นอุบายภาวนาพระองค์เอาลมหายใจมาเป็นที่นึก เป็นที่จเจริญมัดจิตใจอยู่ในลมหายใจเข้าออกเจตใจของพระองค์ไม่หวั่นไหวในอารมณ์ต่างๆที่จะมาบังเกิดเมีขึ้นนับตั้งแต่โรคภัยไข้เจ็บเล็กๆน้อยๆมันบันดาลอยู่ในถาดขันของพระองค์พระองค์ก็ปล่อยวางไม่ให้จิตใจไปกังวล ิใจแน่วแน่อยู่ได้ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกอันลมหายใจนั้นเป็นเพียงนิมิตหมายส่วนใจของพระองค์ผู้รู้จักว่าลมเข้าลมออกนั่นแลคือดวงใจดวงใจนี้ไม่ต้องไปหาเป็นก้อนเป็นหน่วยเป็นสีสันวันนะอย่างโน้น อ, อย่างนี้ไม่มี เจิตใจนี้เป็นธาตุนามธรรมมีแต่ชื่อแต่ว่าลูกมาอาศัยซึ่งตัวคือร่างกายนี้เป็นอยู่ส่วนใจิตใจนั้นมองไม่เห็นด้วยตาหนังจะแตะต้องด้วยมือก็เพียงรู้สึกว่ามันมีอยู่ในตัวในใจนี้แหละพระองค์ก็รวมใจิตใจดวงนี้ให้มาสงบตั้งมัน่น จนเป็นสมาธิภาวนาจนกำหนดโลกนามกายใจตัวตนนี้เห็นว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนของพระองค์เลยเมื่อพระองค์มาเจริญขอ้อนี้ให้แจ่มแจ้งแลว้วจิตใจพระองค์ก็เลิกละปล่อยวางกิเลสต่างๆออกไปรียกวตัดสรุตั ด, ตดกิเลสทิ้ง ไม่ตามกิเลสไม่พกหอ่อเอากิเลสต่อมาอีกพระองค์ตัดแล้วพระองค์ละแล้วถอนแล้วปล่อยวางได้แล้วชื่อว่าเป็นตัวอย่างของมนุษย์และเทวดายินทรมทั้งหลายที่ควรเอาเป็นตัวอย่างพระพุทธเจ้านั่นชื่อว่าเป็นนักเสียสละเสียสละทุกสิ่งทุกอย่าง เสียสละขนาดเรียกว่ามนุษย์และเทวดาอินทร์พรหมในโลกสมัยนั้นไม่มีผู้ใดสามารถสละได้ปล่อยวางได้เหมือนพระองค์ยนพระองค์ได้ตรัสโลพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วก็ยังมีเมตตามีกรุณามีมุทิตาอุเบกขาแก่สัตว์โลก ช่วยตรัสพระธรรมเทศนาสอนเวเนยสัตว์ทั้งหลายโดยมาความไม่ท้อถอยทุกวันทุกคืนพระองค์ก็เทศนาให้เก่มนุษย์และเทวดายินลมฟังเมื่อฟังแล้วก็นำไปประพฤติปฏิบัติคนในสมัยโน้นจึงมีการได้บรรลุมรรคผลเห็นแจ้งพระนิพพานได้มากมาย เพราะว่าคนสมัยนั้นเป็นคนว่าง่ายสอนง่ายเมื่อพระพุทธเจ้าเทศอย่างไรสอนอย่างไรก็ทำตามปฏิบัติตามเมื่อทำไปปฏิบัติไปจิตใจมีกำลังก็ตัดบวงห่วงอะไรเลิกละกิเลส ต, ตัณหาออกจากจิตใจของพระองค์เรียกว่าตรัสรู้ ตัดสโลแจ้งแทงตลอดในโลกพระองค์ไม่ลุ่มหลงมัวเมาอีกต่อไปแล้วเมื่อพระองค์ไม่ลุ่มหลงมัวเมาก็สอนมนุษย์และเทวดาให้ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาพุทธสาวกทั้งหลายก็พากันตั้งอกตั้งใจภาวนาละกิเลสกิเลสราคะโทสะโมหะนี่แหละมีมากน้อยเท่าไร่ สาวกในคลังพุทธการก็เลิกละกิเลสเหล่านั้นออกไปให้หมดสิ้นเหลือแต่จิตใจอันบริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสให้ชื่อว่าพระอริยะเจ้าในทางพุทธศาสนาแม่พระองค์ จะดับขันเข้าโซนารือพานไปแล้วก็ตามพระอริยสงสาวกก็ทำการปฏิบัติบูชาภาวนาสั่งสอนกันมาเรียกว่าการฟังเทศทางธรรมมีมาตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าแม้พระองค์ท่านจะดับขันเข้าโซนารือพานก็เป็นแต่เรื่องของท่าน ส่วนเรื่องของเราผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบประกอบในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลเราจะมานิ่งนอนดูดายไม่ได้จะต้องพากันลุกขึ้นตั้งใจบำเพ็ญภาวนาในใจของตนให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออกเมื่อจิตใจมาบำเพ็ญภาวนาได้อยู่ทุกลมหายใจเข้าออกอจิต ใ, ใ, ใจที่เศร้าหมองกุนโม ก็เป็นใจเป็นจิตใจอันผ่องใสสะอาดจิตใจเกียดข้านภาวนาก็เป็นใจหมั่นขยันขันแข็งขึ้นมาจิตใจอ่อนแอท้อแท้เลิกละตัดปลดปล่อยกิเลสราคะโทสะโมหะไม่ได้มาถึงขั้นนั้นแล้วก็ละได้ทำได้ทางนั้นเพราะจิตใจมั่นเข้มแข็ง ข, ขึ้นมา ดึงให้พากันตั้งอกตั้งใจในใจของตนให้สม่ำเสมออย่าพาท้อถอยเมื่อใจไม่ท้อถอยแล้วท่านว่าเป็นคนมีความเพียรคนเราเมื่อมีความเพียรลงไปในจิตในใจได้แล้วยอมสำเร็จทุกกิ จ, จกรรมการงานทั้งทางโลกและทางธรรมเพราะว่าใจิตใจไม่ท้อถอย ไม่หลงไม่ลืมตั้งใจกำหนดได้ทุกลมหายใจและมองเห็นมรณ ะ, ะภัยคือความตายนั้นมันใกล้เข้ามาขยับเข้ามาไม่ไกลนักเรลือวาใกล้ที่สุดชีวิตของคนเราก็เห็นเหลืออยแค่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเท่านี้เองถ้าลมหายใจหมดเมื่อใดก็ตายแน่ บัดนี้ลมหายใจเข้าออกยังมีอยู่ยังมีลมหายใจเข้าออกอยู่นี่จึงเป็นโอกาสอันดีที่เราทุกคนจะต้องตั้งอกตั้งใจภาวนาในใจของเราให้ได้ทุกลมหายใจ ไม่ว่าจะเป็นกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนทุกอิริยาบถอยู่ในอิริยาบถใดบทใดก็ตามให้เราภาวนาอย่างเดียวนั่งก็ภาวนาพุทโธในใจยืนก็ภาวนาพุทโธเดินไปไหนมาไหนก็ภาวนาพุทโธในใจเอาจนอารมณ์คําว่าพุทโธพุทโธในใจนี่ต่อเนื่องอยู่ณภายใน เย็ด ใ, ใจที่ร้อนละออยด้วยกิเลสความโกรธความไม่พอใจต่างๆก็ละออกไปตามลมหายใจให้มันหมดไปสิ้นไปไม่ต้องไปเก็บเอาอารมณ์สัญญากิเลสตัณหาของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายมาหมักหมมไว้ในใจไม่ได้ ต้องทําเดี๋ยวนี้ละเดี๋ยวนี้วางเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้ให้ได้ให้มีจิตใจอันตั้งมัน่นลงไปในหัวใจจริงๆแนั่นการปฏบิบัติบูชาในทางพุทธศาสนานี้ไม่ควรประมาทย o ตั้งโยในความไม่ประมาทเมื่อความไม่ประมาทมัวเมามีอยู่ในใจของเราทุกคน เยตใจนั่นแหละจะพองใสสะอาดปราศจากมนทินโทษกิเลสตัณหามานะทิฏฐิทัท้ทงหลายก็จะลดละลงไปได้เพราะว่าใจไม่ทอถอยใจภาวนาคิดใจมีความเพียรความหมันความกยันไม่ทอแต่อ่อนแอในหัวใจ จิตใจที่ไม่ทอดแท้ออนแอในหัวใจนั้นแหละเป็นจิตที่ขาวสะอาดเมื่อใจขาวสะอาดเหมือนผ้าขาวเหมือนผ้าที่ใหม่เรียกว่าเป็นจิตใจดีงามเป็นจิตใจที่ตั้งมั่นอยู่ในธรรมปฏิบัติและตั้งนั่นได้อยู่ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออก ลมหายใจนี้แสดงทั้งความทุกข์ความเดือดร้อนวุ่นวายแสดงถึงชีวิตของแต่ละบุคคลเรายาเข้าใจว่าอายุของเรานั้นเป็นไปตามวันคืนปีเดือนความจริงแล้วชีวิตของคนเราก็ห้อยอยู่แค่ลมหายใจเท่านี้แหละถ้าลมหายใจเข้าไปแล้วออกมาไม่ได้เราก็ตายลมหายใจออกไปแล้ว ถ้าโสดลอมหายใจไม่เข้ามาก็เป็นอันว่าตายได้แล้วนี่เป็นอย่างนี้เหตุนั้นใจของเราทุกคนจองเพียนพยายามตั้งหน้าตั้งตาตาบำเพ็ญภาวนาในทางพุทธศาสนาอย่างจิตใจของตนให้ตั้งมันเป็นสมาธิภาวนาเรื่อยไปจากนั้นอูบายธรรมโดยยนย่อนี้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 สุขีเทคายยโกภวะอภิวาทานาสิริสนิจยังุทธาปจ ย, ยิโนจตารโอธรรมาวจันติอายุวันโนสุ ข, ขังขาลางังตนถึงขั้นนิพพิทาญาณความเบื่อหน่ายคลายกิเลสเหล่านี้ออกไม่หลงไปตามกิเลสนี้อีก เดี๋ยวบอกคลายมันออกไปละมันออกไปถอนมันออกใหม่อย่าไปเชื่อไปหลงตามลมลมแรงแรงของกิเลส ข, ของคนกิเลส ข, ของสัตว์กิเลส ข, ของเทวดากิเลส ข, ของพญาอินพยาผมอะไรทั้งหมดนั่นแหละมันเป็นเหตุเป็นปัจจัย ให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนไม่จบไม่สิ้นสักผีเอาให้มันจบสิ้นลงไปด้วยความสงบตั้งมัน่นด้วยความเห็นแจ้งในหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาูกเข้าใจแจ้งชัดไม่ยึดอยู่ถืออยู่ ในความสุขและความทุกข์ไม่ให้เข้ามาในใจไม่ให้ใจหลงไปตามความทุกข์และความสุขเรียก ว, ว่าลู่แจ้งลู่จักลู่จิงลู่ละลู่ถอนลู่ปลอยลู่ว่างลู่ไม่ยึดไม่ถือเรียกว่าลู่ปัจจต่างจำเพาะจิตไม่ใช่คู่อื่นแนะนําให้รู้เป็นความรู้ด้วยการปฏิบัติ การประกอบการทำในจิตใจของตนของตนจนเกิดความรู้ความฉลาดความสามัคคีอาหารแก้ไขอุปสรรคต่างๆได้จนติดจิตนั้นไม่ติดไม่ขล้องไม่ติดใจในอารมณ์ใดๆท่านเรียกว่าความรู้แจ้งเห็นจริง ในธรรมปฏิบัติเมื่อความรู้แจง้งเห็นจริงบังเกิดมีขึ้นในจิตใจของผู้ปฏิบัตินั้นเจตใจของผู้นั้นก็ย่อมไม่ท้อถอยเรียว่าเดินหน้าไม่ถอยหลังสิ่งใดยังไม่เข้าใจก็ศึกษาฟังไปภาวนาไปแก้ไขไปเอาให้มันหลุดเป็นขั้นเป็นตอน เอาจนมันเลิกได้ละได้ด้วยสติปัญญาในจิตใจนั้นไม่ต้องไปถามถามใครใครก็บอกได้แต่มันไม่ใช่บอกแล้วมันจะทำได้ทำไปปฏิบัติไปภาวนาไม่ให้มันท้อถอยตั้งมั่นลงไปตั้งมั่นลงไปแล้วก็หลักแห่งความไม่เที่ยงอนิจจังทุกขังอนัตตา มันมีอยู่เต็มโลกไม่ใช่มันไม่มีมันมีอยู่แล้วแต่เพราะจิตใจของพโยคาวาจรเจ้าทั้งหลายไม่สงบตั้งมั่นไม่เห็นจึงไม่เห็นความจริงของจริงไม่เห็นมันเห็นแต่ของไม่จริงเดี๋ยวว่าเห็นของปลอม เห็นของปลอมหลงไปตามของปลอมของปลอมมันก็หลอกลวงให้มนุษย์และเทวดาอินพรหมทั้งหลายติดอยู่ข้องอยู่ในของปลอมของแปลงของแท้ของจริงได้แก่จิตใจเข้าถึงความมีมุดหลุดพ้น จนไม่มียึดในพบใดชาติใดอีกต่อไปภาวนาลูกเดียวภาวนาอย่างเดียวละกิเลสอย่างเดียวตลอดกาล ร, รู ป, ประขันจะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินจะไปมาอย่างไรเป็นเรื่องของรู ป, ประขันจิตใจผู้รู้ผู้เห็นปัญญาความสอดส่องในธรรมปฏิบัติ ของแต่ละดวงจิตดวงใจต้องกำหนดรูจนเห็นแจ้งด้วยปัญญา